วันนี้ยมเยอะแต่เช้าเอาคุณมาลีมานี่แลเมื่อวานไปเจออีกวัดหนึ่ง <c oughs> หลวงพ่อวันชัยมรณะภาพไม่ใช่อาจารย์วันชัยภูสังโคนะอาจารย์วันชัยวัดใหม่พญาธรรมท่านเป็นโรคแบบเดียวกับพุ่มพวงโรคเอสอะไรนะเอเอสอะไรก็ไม่รู้นะเราคนโบราณไม่รู้เรื่องแนละ้ว เสร็จแล้วไตาวายท่านก็ใจเด็ดนะท่านพอไตาวายท่านก็หมอจะจับล้างไตท่านก็ไม่ได้ล้างลนะ้างก็ไม่หายลนะ้างก็เจ็บตัวไปเรื่อยนื่นภาวนาหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านเมื่อวันจันทร์เยี่ยมท่านท่านไปอยู่บ้านกุ้งญาติเพื่อนๆืประสานนะเขารับไปอยู่เพราะว่ากาให้ไปมรณภาพที่นั้น ท่านก็บวมนะตัวบวมบวมดูแล้วโอ้ไม่รอดหรอกบอกท่านว่าร่างกายนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเอาจิตไหมถ้าทำอะไรไม่ได้เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าลูกเดียวถ้ายัางมีกำลังมากกว่านั้นดูกายมันตายจิตมันไม่ได้ตายด้วยนีย่ให้กายมันตายไปทิ้งมันไปมีสติตามรู้ไว้ ตามรู้ไปด้วยให้รู้ทันเห็นร่างกายมันตายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอีกวันหนึ่งท่านก็ตายนะตายจริงๆ <c oughs> ตายอย่างสงาา่าผ่าเผยประสานกำลังนวดนวดให้ท่านอยู่นวดนวดท่านก็กระตุกสี่ทีตายจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานตายเก่ง <c oughs> อย่างนี้ไม่เสียทีเป็นนักปฏิบัตินะหาประโยชน์ใส่ตัวเองได้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายได้นี่พวกเราต้องฝึกเป็นตัวอย่างท่านตายให้ดูเราฝึกเรานะเวลาอย่างแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องซ้อมมีสติขึ้นมาก่อนรู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อย ถึงคราวคับขันธรรมะมาช่วยเราเองไม่ต้องกลัวหรอกอยังไม่ถึงเวลาตายไม่ตายหรอกถึงเวลาจะตายก็ตายอย่างสง่าผ่าเผยต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมไม่ได้กินหรอกเวลาจะตายจริงๆแลจิตใ จ, จ, จ, จมันทุรนทุรายมันยอมรับความจริงไม่ได้ห่วงโน้นห่วง น, น, วงนี่บางคนจะตายนะ คิดน้นคิดนี่ทั้งหลายตลบเน่ยจิตเนี่ยพลิกไปพลิกมาพลไปพลิกมามีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่ทํางานหนงพ่อแต่ก่อนถูกไฟดูดตายถูกสายมิลเกียปินดาดฟ้าขึ้นไปฝนมันตกไปดูว่าหลังคารั่วตรงไหนมันอยู่ใกล้เสาไฟฟ้ามันไฟมันเซิร์ฟก็มาไงมือเนี่ยหนังมือนี่นะลอกติดผนังไวเลยนี่กำลังเกาะอย่างตาย ถูกไฟดูดที่แรกตกใจถูกดูดก็ตกใจนะที่แรกก็แค่รู้สึกถึงความผิดปกติถัดมาก็ตกใจตกใจเสร็จแล้วพอรู้ว่าถูกไฟดูดก็กลัวดิ้นพอรู้ว่าดิ้นไม่หลุดนะก็ท้อแท้ใจแล้วก็ห่วงใยเนี่ยนะจิตมันจะพลิกปับป๊บปับป๊ บ, ปบไปนี่จิตของคนที่ไม่ได้ฝึกไม่เหมือนจิตของคนที่ได้ฝึกเอาไว้ให้ดี เวลาจะตายเห็นร่างกายมันกําลังกระตุกกระตุกนะจิตมันถอยออกมาเป็นคนดูก่อนหน้านั้นบางทีจิตก็ถอยออกมาเป็นคนดูทีจิตก็เข้าไปจับที่กายพอจับที่กายก็รู้สึกทรมานพอรู้สึกทรมานสติตามทานันเพื่อนถอยออกมาอีกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกสุดท้ายปล่อยปล่อยนั่นถ้าเราฝึกดีๆแล้วไม่เป็นไร ถ้าฝึกไม่ดีนะใครก็ช่วยเราไม่ได้ตอนนั้นไม่มีใครช่วยเราได้ล้อยู่ที่เราต้องฝึกเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนื้อสคัญมากการฝึกก็ต้องฝึกให้ถูกหลักของท่านอย่างวันนี้วันอาสหะท่านสอนหลักของการปฏิบัติที่สําคัญมากเลยท่านสอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรถือว่าเป็นการเคลื่อนวงล้อของธรรมะลูกล้อของธรรมะให้เคลื่อนที่ไปนะ รถของธรรมะเคลื่อนที่ไปธรรมจักเนี่ยท่านเริ่มจากสิ่งซึ่งไม่ควรทํา2อย่างพวกเราต้องเรียนให้เข้าใจสิ่งสองสิ่งที่ไม่ควรทําทําไมต้องเรียนเพราะสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทํานะีคือ2สิ่งที่ท่านไม่ให้ทําสิ่งแรกที่ท่านบอกบันพชิตคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรทํานะคือการมัสสุขา ร, ริการุโยค ก, การมัสสุขา ร, ริการุโยคคือการที่จิตเนี่ย มันหลงตามอารมณ์มันเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งเพลิดเพลินไปในกรรมาา ม, ามารมทางใจกรรมมาทำเนี่ยเป็นกรรมอารมณ์ทางใจก็คือการที่จิตมันไปคิดไปเคล้าไปเคลียอยู่กับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจน่อย่างบางคนนะไม่เห็นสาวเนี่ยแต่จินตนาการถึงสาวเนี่ยนี่เป็นกรรมมารำมันคิดขึ้นมาทางใจ ผูกพันรักใคร่ในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายผูกพันอยู่ในใจคิดถึงถ้าเมื่อไรเราหลงไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งหลงในการมมาทำคือการคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสประทับพะทั้งหลายเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมันสุดตรงไปข้างหลงจะหลงไปน้าหลงโลกงั้นเราสังเกต จ, จิตของเราให้ดีจิตของเราหลงโลกทั้งวันเลยเวลาเรามอง จิตเราไหลไปสู่คนที่เรามองเวลาเราดูอะไรสังเกตให้ดีจิตเราไหลไปที่นั้นเอาทดสอบหนะ้าให้ดูพระพุทธรูปสังเกตดูพระพุทธรูปนะสังเกตไหมใจเราไหลไมาอยู่ที่พระดูออกไหมถ้าดูยังไม่ออกก็ไปซ้อมดูอย่างอื่นที่บ้านนะเอาพอแล้วพอแล้วอย่างนี้เรียกส่งจิตออกนอกนะมันหลงออกไปทางตา หรือบางทีจิตเราก็ไหลไปทางหูมีคนหนึ่งมาเรียน10ครั้งมาฟังหลวงพ่อสิบครั้งไม่รู้เรื่องเลยที่ไม่รู้เรื่องพราะคิดมากคิดใหญ่เลยว่าเอ้ยสอนอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนะเสร็จแล้วแกครั้งที่10บนะ่แก ท, แท้อแท้ทอดอะไรในชีวิตเลยเห็น <c oughs> นั่งอยู่ท้ายศาลาลมมันพัดนะะดิ่งที่ชายศาลาดังกลิ้งขึ้นมาแกเห็นจิตวิ่งบึ้บไป ไปหากระดิ่งพอรู้ทันจิตไหลเวที่กระดิ่งอา้าวนี่ดูออกแล้ไม่เคยเห็นไม่เคยพบนะมันไหลไปได้ก็กลับมารู้สึกอยู่เนื้อเผลอๆนะได้ยินอีกกลิ้งหนึ่งมันไหลไปอีกเนี่มันไหลไปทางหูนะเวลาจิตมันไหลไปทางหูเราก็ลืมตัวเองเรามัวแต่รู้เสียงข้างนอกเราลืมกายลืมใจตัวเองเวลาเราดูนะเราก็เห็นแต่ของข้างนอกเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นเราลืมกายลืมใจตัวเองเวลากินข้าว กินของอร่อยแมลิ้นกระทบรถโอ้ยอร่อยอร่อยมากเลิศเพลินในขณะนั้นเราลืมตัวเราเองอีกละเลิดเพลินในรถหลวงพ่อเองแหละนะเมื่อก่อนยังเป็นค า, ารวะเราจะไดเอทนะไปกินข้าวนะ <c oughs> ตั้งใจไว้จะไดเอทนะนึกขึ้นได้อีกทีแนละ้วหมดไปสามจานแล้วเนี่ยเราหลงเราหลงไป ลิ้นกระทบล้นลืมลืมกายลืมใจสิ่งอะไรมากระทบร่างกายเห็นไหมกระทบทางกายเนี่ยก็ทําให้เราลืมตัวได้เหมือนกันอย่างพวกเท่าหัวงูทั้งหลายไฟให้เด็กๆนวดเนี่ยเด็กๆนวดแหมเคลิบเคลิ้มลืมตัวลืมอีกแก่ที่บ้านลืมตัวเองด้วยลืมอีกแข่ที่บ้านแหมโรคนี้เป็นของเราลืมฝันฝันไปเนี่ยกระทบสัมผัสทางกายมันก็ลืมตัวเองอีก ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะั้นมันมีแต่ลืมตัวเองตลอดเลยเมื่อไรลืมตัวเองนะก็ขาดสติไม่สามารถทำวิปัสนาได้พระวิปัสนาซึ่งเป็นทางสายกลางทางสายกลางที่เรียกมัชชิมาปฏิปทานะคือการมีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อไรเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปุถะเนี่ เราจะลืมกายลืมใจขณะนั้นไม่ได้ทํำวิปัสสนาหรอกสมถะก็ไม่มีน้ําหลงหลงไปไม่ได้เรื่องเลยนะนี่คือความสุดโต่งด้านที่หนึ่งนะชื่อการมาสุขาลิการิโยคพระพุทธเจ้าห้ามแต่พวกเราทํานี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมในโลกนี้ขาดแคลนพระดิยานะคนในโลกนี้เต็มไปด้วยคนหลงโลกหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะหลงไปคิดนึกในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะหลงโลก ความสุดตรงด้านที่2นะชื่ออัตตะกิรมาฐานุโยค ก, การทำตัวเองให้ลำบากทำตัวเองลำบากก็คือการกดข่มบังคับตัวเองนั่นเองคนทั่วๆไปมันหลงโลกแต่นักปฏิบัติมันจะบังคับตัวเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำอัตตะกิรมาฐานุโยคนี่คือเหตุผลที่ว่าทํายังไงก็ไม่บรรลุธรรมได้แต่สมะถะัเพ่งกายเพ่งใจไปทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติ ถ้ไม่เพ่งกายก็เพ่งใจไม่ก็เพ่งอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งภายนอกออกไปเลยเช่นเพ่งไฟเพ่งลูกแก้วเพ่งอะไรก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีมันดีแบบสมถะไม่ใช่วิปัสนาเพราะว่าไม่รู้กายไม่รู้ใจตามความเป็นจริงอย่างเราไปเพ่งเทียนนะบางแห่งเขาก็สอนเพ่งเทียนเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพุทธรูปก็ไม่ใช่เร็วนะก็ได้ดีแต่ดีแบบโลกโลกนะดีแบบจะไปสู่ภพภูมิที่ดีสูงสุดก็ไปพรหมโลก เป็นสมรถกรรมฐานนี่บางคนมารู้กายรู้ใจแต่ไม่ได้รู้จริงๆแต่มาเพ่งกายเพ่งใจอันนั้นก็เป็นสมถะกรรมฐานอีกเช่นเวลาเราคิดถึงลมหายใจใช่จิตเราไหลไปอยู่กับลมเลยจิตไปจอนิ่งๆอยู่กับลมมันกลายเป็นการเพ่งลมหายใจเวลาเราดูท้องผองยุบนืจิตถลำลงไปจ่องจอนิ่งๆอยู่ที่ท้องอันนี้ก็คือการเพ่งท้อง บางคนขยับมือสายลงพาะเตียนขยับมือถ้าทำไม่เป็นนะจะไปเพ่งมือจิตจะไปแนบอยู่ในมือในมือกระดูกระดิกนะรู้สึกหมดเลยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่มือแต่ไม่ได้รู้สึกตัวรู้สึกมือกัรู้สึกตัวคนละเรื่องกันคาว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายๆอะไรปรากฏขึ้นในกายก็รู้สึกอะไรปรากฏขึ้นในจิตใจก็รู้สึกถึงจะเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อม ถ้ารู้สึกเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแช่นิ่งอยู่กับสิ่งนั้นไม่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่เรียกว่าเพ่งนั้นไปรู้ลมหายใจแล้วจิตรู้ไม่ลืมลมหายใจเลยนะมีสติต่อเนื่องตลอดเวลารู้ลมหายใจได้ไรได้สมถกรรมฐานนะเพราะการเพ่งอารมณ์อันเดียวเพ่งตัวอารมณ์จะได้สมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนายัางเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้า มีสตินะจดจ่ออยู่ที่เท้าขยับขยเรื่อนไงรู้หมดเลยนะหรือบางคนจะหยิบข้าวหยิบของนะเพ่งอยู่ที่มือมือขยับคลกริกริกรรู้หมดเลยนี่คือเพ่งอารมณ์การเพ่งอารมณ์ภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนะอารัมมณูปนิชฌานคือการทําสมถกรรมฐานเนะนี่ยตำลับตำลานะสอนมาตั้งหลายพันปีแล้วมาถึงวันนี้ก็ยังทําผิดเหมือนเดิมอีกก็ยังไปเพ่งอีก บางคนมาดูเวทนานั่งดูเวทนาพอเวทนาเกิดก็ไปเพ่งเวทนาทําไงเราจะชนะเวทนาเนี่ยจะเอาชนะเวทนาไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ใช่มุ่งเอาชนะกายเอาชนะใจนั่นมันวิชาของพวกโยคีเขานั่งบนตะปูก็ได้นอนก็ได้กินยาพิษก็ได้ไม่กินข้าวอยู่ได้ตั้งนานเอาตัวไปฝังดินไว้ตั้งนานไม่ตาย ทำอะไรได้แปลกๆบังคับตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องของวิปัสนาวิปัสนาคือการรู้กาย ร, รู้ใจตามความเป็นจริงคำ <c oughs> ว่าความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นต้องเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา เ, <c oughs> เห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนา นืสมถะนะมีชื่อหนึ่งว่าอารามณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์ส่วนวิปัสสนาชื่อลักขณูปนิชฌานฌานตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเพ่งแนละคนไทยไปชอบแปลฌานว่าเพ่งซะอย่างเดียวเลยมันเป็นการเพ่งเล็งใส่ใจใส่ใจในความเป็นไตรลักษณ์รู้ที่ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม นี่ส่วนมากนะไปเพ่งเพาะเพ่งกายเพ่งใจสิ่งที่ได้คือสมรถกรรมฐานสงบพอเพ่งได้ที่ใช่ไหมเกิดปีติบางคนรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวตัวใหญ่ก็มีนะบางทีตัวหนักก็มีหลวงพ่อเคยภาวนานะตัวหนักเป็นก้อนหินเลยรู้สึกโอ้นี่ถ้าจะดีไหมแข็งแรงแข็งแกร่งกิเลสมาไม่กลัวเลยตัวเท่าภูเขาละหนักด้วย ดูไปดูไปจะบ้าแล้วเห็นจะมีอะไรเลยจิเลนก็ย้อมใจได้เหมือนเดิมนั่นแหละบางทีก็รู้สึกวุบววาบๆนะเ ห, นหเหมือนมดเหมือนแมลงมาไต่เอาไปสอนกันได้บอกถ้ า, มาแมลงตัวเล็กได้ยานชั้นต่ำหน่อยมแมลงตัวใหญ่ยานชั้นสูงน่ ย, <laughs> ยานตองแต่งนะยานเป็นชื่อของปัญญายานไม่ใช่ชื่ออาการของปิติทางร่างกาย ปัญญาคืออะไรคือการเห็นไตรลักษณ์ปนะัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นเราต้องรู้สึกตัวนะเราไม่สุดโต่งไปสองข้างหลงตามอารมณ์ตามกิเลสไปกิเลสย้อมใจอีกข้างหนึ่งก็คือการบังคับกดข่มตัวเองทางสายกลางนั้นให้รู้รู้สึกตัวรู้สบายๆรู้บ้างเผลอบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะั้นจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอก จิตใจที่ทํางานมันก็ทํางานของมันได้เองไม่ใช่เราหรอกอย่างจิตของเราขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางครั้งมองหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังได้นิดเดียวก็หนีไปคิดดวออกไหฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆไม่ได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยเสื้อเหลืองกาลังคิดอยู่รู้สึกไหมเนี่ยหัดสังเกตนะเนี่ยเราเคยสังเกตนะใจเราเคลื่อนไหวทํางานตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นนะ ร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกว่าเราเดินเราไม่ได้เห็นความจริงเพราะว่าเราเดินนะเราคิดเอาเองที่จริงอะไรเดินที่จริงคือวัตถุาธาตุอันนี้มันเคลื่อนไหวเราไปคิดตู่เอาวัตถุาธาตุของโลกส่วนหนึ่งมาเป็นตัวเราเขาจริงจริงมันเป็นของโลกไม่ใช่สมบัติของเราสัหน่อยวันหนึ่งก็คืนเจ้าของนะนอนตายงแงมงคืนเข้าไปนะถ้าเราคอยมีสตินะ ขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วพอรู้กายเห็นว่ากายไม่ใช่เรารู้จิตก็เห็นจิตมันไม่ใช่เราร่างกายเป็นวัตถุเป็นกั้นธาตุร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตใจมันก็ทํางานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็ไม่ใช่เราเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ค่อยฝึกค่อยรู้ไปเรื่อยนะมีสติรู้สึกขึ้นมา สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้ไม่รีบร้อนไม่ต้องไปพยายามทําสติให้เกิดตลอดเวลาเราไม่ต้องการสติตลอดเวลาเราต้องการสติทีละแวบเดียวนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นแวบแล้วหลงไปอีกแล้วก็รู้สึกอีกแวบนึ่งแล้วค่อยหลงไปอีกถ้าฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่มีหลงเลยถ้ารู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่มีหลงเลยนะั่นคือการทาําชันพราะจิตที่จะเกิดซ้ำซาก มีสติซ้ำสร้างอยู่ได้อย่างเดียวตลอดนานๆ น, น, นี่คือชาณจิตเท่านั้นเองจิตธรรมดาธรรมดาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเรารู้ขึ้นแว บ, บหนึ่งแล้วหลงรู้แว บ, บหนึ่งแล้วก็หลงตรงนี้สำคัญไม่ต้องฝึกให้รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ฝึกให้รู้สึกบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฝึกบ่อยๆไม่ใช่ให้ต่อเนื่องยาวนานดีละแว บ, บนี่แหละมันจาเป็นยังไงคนในโลกนี้นะ ไม่เคยมีสติไม่เคยรู้สึกตัวคนในโลกอยู่ในความฝันตลอดเวลาฝันทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับแล้วมันจะเกิดความสำคัญผิดขึ้นมาว่ามันมีตัวเราจริงๆพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้นะกับเราตอนเด็กเด็กก็ยังเป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมมันมีเราอยู่คนหนึ่งเรามาตั้งแต่เด็กนะจนวันนี้ยังเป็นคนเก่าอยู่เราคนเดิมหรอกหน้าตาต่างหากที่เปลี่ยนไปแต่ข้างในนี้มีเราที่คงเดิมอยู่คนนึง เนียเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นมันเกิดดับเราไม่เคยเห็นจิตเกิดดับถ้าเราเห็นจิตเกิดดับเราจะรู้ว่าไม่มีเราหรอกข้างในเนี้ยเพรน้นที่เราหัดรู้สึกตัวขึ้นมานะเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆถ้าชีวิตเรายาวอย่างนี้อันเดียวเนี้ยหลงหลงตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่นี้หลงมาเรื่อยๆจนหมดเวลาตายเราจะรู้สึกมีเราคงที่อยู่เหมือนเราดูการ์ตูนนะ มีโดเลมอนใช่ไหมมีีกคิวสงงั่งหลวงพ่อรู้จักแค่รุ่นเนี้หลังจากนั้นไม่รู้จักละนะโดเลมอนมันเดินไปเดินมาได้นี่เป็นภาพลวงตาจริงๆมันเป็นรูปแต่ละช็อตแต่ละช็อตที่เปรูปแต่ละรูปแต่ละรูปแล้วมันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเรารู้สึกมีเราถ้าเราเห็นรูปแต่ละรูปเกิดแล้วหายไปหายไปเราจะไม่รู้สึกว่ามีโดเลมอนตัวจริงขึ้นมาโดเลมอนไม่มีจริง การที่เราฝึกให้มีสติขึ้นมานี่ก็เหมือนกันเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็หลงไปเดี๋ยวจิตก็รู้สึกเดี๋ยวจิตก็หลงไปเดี๋ยวจิตก็รู้สึกพอจิตมันหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะหลงไปทางทวารทั้ง6หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปทางใจคือหลงไปคิดหรือบางทีก็หลงไปเพ่งนี่หลงทางใจแล้วตามมามีสติมันจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้หลงแต่จิตที่หลงนั้นดับไปแล้วจะเห็นเลยจิตที่รู้กับจิตที่หลงนี่เป็นคนละดวงกัน การที่เราเห็นจิตที่รู้กับจิตที่หลงเนี่ยเป็นคนละอันกันเรื่องว่าสันตติคือความสืบเนื่องเนี่ยขาดลงแล้วการภาวนาจนสันตติขาดเนี่ยนะคือการทําวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับนะเช่นจิตที่หลงไปพอเรารู้สึกตัวเราจะเห็นเลจิตที่หลงดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกแล้วจิตที่รู้สึกอยู่ได้แวบเดียวก็หลงใหม่นะเห็นไหมแล้วก็รู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้รู้2ทีเลยรู้ว่า จิตที่รู้สึกตัวอันแรกนะั้นดับไปแล้วเกิดจิตที่หลง <c oughs> จิตที่หลงก็ดับไปแล้วอีกเกิดมีจิตรู้สึกตัวอันใหม่เนี่ยฝึกดูไปด้วยนะจะเห็นว่ามีต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับขาดเป็นช่วงๆหรือถ้าสติรละลึกรู้กายนะจะเห็นเลยร่างกายที่จะหายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่พูดที่เหยนะียดเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาอย่างถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นเราจะรู้สึกนะไม่ใช่เห็นด้วยตารู้สึกเนี่ยอย่างมือหลวงพ่อจะไปหยิบ ขวดน้ำํำถ้าสติเราเร็วนะีเราจะเห็นรูปเนี่ยเกินดับจํานวนมากเลยคล้ายๆดูการ์ตูนเลยปับป๊บปับป๊บ ป, บปบนะแต่อย่าถลําลงไปดูนะดูเล่นๆถ้าถลําไปดูเดียวประสาทกินมันจะถลําลงไปกลายเป็นเพ่งจ้องอีกกลายเป็นเพ่งงั้นบางคนเพ่งนะเขาจะหยิบกระติกน้ำนะเพ่งแล้วเคลื่อนช้าๆหน่อยเขาจะได้เห็นเป็นช็อตๆเขาต้อช้าๆไว้กิเลนไม่ช้าด้วยนะมือต่างหากที่ช้า กสติปัญญาช้าเพงเพ่งเพ่งเพ่งเกๆๆนะลงไป500ร้ครั้งแล้วยังไม่ถึงขวดเลยเนี่ยการที่เราเพ่งใส่มือเนี่ยคือสมถะกรรมฐานใช่ไหมเราจดจ่อลองไปแนวแนวลงมันเดียวเราจะหยิบขวดน้ํำเราเพ่งอยู่ที่มือนันชั่วโมงยังไม่ได้กินน้ำเนี่ยเพ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถะกรรมฐานแล้วถ้าทําสมถะกรรมฐานเต็มที่นะเต็มภูมิของการเพ่งมือเนี่ยเพ่งรูปมันคือรูปปัจจนทที่สี่ รูปปะ้นชันที่4เนี่ยนะถ้าไม่สนใจนามมาทาไม่สนใจจิตเลยนะจิตจะดับลงไปเหลือแต่รูปันเดียวมีสัตว์อยู่ชนิดเดียวที่มี1ขันพวกเราเป็นสัตว์มีขัน5นะสัตว์ที่มีขัน5ก็ตั้งแต่สัตว์นรกนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาแล้วก็รูปประผลยกเว้นรลมลูกฟักตัวรลมลูกฟักเท่านั้นนะมีหนึ่งขันเพราะไม่มีนามมาทำ ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความรู้สึกเป็นสัตว์หนึ่งขันนะเลยขึ้นไปอีกเป็นพวกอรูปประพรมไม่มีร่างกายมีแต่ความรู้สึกพวกนี้เป็นสัตว์4ี่ขันคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่มีรูปงั้นสัตว์ในศาสนาพุทธเนี่ยนะมีสามไฟลั่มคือสัตว์ที่มี 5, ขันมี4ขันแล้วก็สัตว์ขันเดียว จะมีกี่ขามีกี่ปล้องอะไรไม่สำคัญอะ่ะนะท่านมองจากขันมนะีมีสามไฟลั่มนะแต่สปีชี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะนะเรานะเปรดก็มีตั้งหลายชนิดอะไรเงี้ยเยอะแยะงั้นเราอย่าหลงไปเพ่งรูปนะให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจเยเมื่อเรารู้สึกนะต่อไปพอมันเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นนะทีแรกเราก็เริ่มรู้ตัวสภาวะแล้ว หลังจากนั้นพอสติปัญญาเราเชี่ยวชาญขึ้นเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเวลาที่จิตไปรู้สภาวะเนี่ยบางทีจิตไม่เป็นกลางแต่จิตแอบยินดียินร้ายต่อสภาวะนี่เราเริ่มพัฒนาการรู้ของเราให้ประณีตขึ้นไปอีกแล้วเรารู้ไม่เป็นกลางรู้ไม่เป็นกลางนะใช้ไม่ได้อริยมรรจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างสมมติว่าเราขับรถอยู่มีคนปาดหน้าพอเราโกรธเรามีสติรู้ว่าโกรธ ถัดจากนั้นเนี่ยขาดสติกแล้วเราเกิดความโกรธตัวที่2ไปเกลียดติไอ้ความโกรธตัวแรกเมื่อไหร่มันจะดับเมื่อไหร่มันจะหายนยีหรือเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้สภาวะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์หรือจิตใจเป็นทุกข์เราไปเกลียดความทุกข์นั้นเข้าความยินร้ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้สภาวะแล้วนะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเนี่ยให้มีสติรู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ทันใช้ไม่ได้จริงหรอกตัว ก, กิเลสครอบงําได้อีกรอบหนึ่งมันจะซ้อนซ้อนเป็นกิเลสซ้อนซ้อนเข้าไปเรื่อยนี่ถ้าเรารู้ทันนะอย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นพอเรารู้ปับ๊บรู้อย่างเป็นกลางจริงจริงมันจะดับทันทีบางคนบอกเห็นความโกรธล้วทำไมมันไม่ดับที่มันไม่ดับเพราะจิตเป็นอาคูโสนจิตในขณะนั้นกําลังเกลียดความโกรธนั้นอยู่ไม่เห็นนี่กิเลสซ้อนกิเลสสติไม่เกิดนี่เราก็คยรู้ทันนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะก็รู้ทันอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันในกายในใจรู้ทันอารมณ์นั้นแล้วถ้าหากจิตเกิดปฏิกิริยาเป็นความยินดียินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันจิตลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่อย่าจงใจนะฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังเล่นๆนะฟังเล่นๆนําร่องให้จิตมันรู้เท่านั้นแหละต่อไปเวลาเราไปรู้ไปเห็นสภาวะแล้วพอความยินดียินร้ายเกิดนะสติจะระลึกเองนะสติระลึกเองนะไม่ต้อง จงใจทำบางคนจงใจนะเอาละสมมติมองหน้าคุณอำพลมองปั๊บยินดีหรือยินร้ายป ะ, ะเอ๊ะเฉยๆมองคุณมาลีว่าสวยกว่าคุณอำพลนะมองเอ๊ะยินดีหรือยินร้ายปะดู <c oughs> ก็เฉยๆเนี่ยแกล้งมองนะไม่ไม่ต้องแกล้งนะหลวงพ่อพูดนาร่องให้ว่าต่อไปเราต้องรู้ทันความยินดียินร้ายเห็นหน้าคุณอำพลนะโอหน้าตาหน้ายืมเงินหุ่นอาเสียนะเนี่ยเห็นในใจมีโลภะ แต่แกคงไม่ให้หรอกใจมีโทสะเนี่ยฝึกอย่างนี้เก็รู้ทันนะเรเห็นกิเลสตัวเองเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวโทสะโมโหตัวเองตอนนี้ชักไม่เห็นแล้วโมโหตัวเองนี่ชักไม่เห็นแล้วเนี่ยเริ่มมีปฏิฆะแล้วเริ่มมีเรียกโทมนัสอาภิชายินดีนั้นโทมนัสยินร้ายมีความยินร้ายเกิดขึ้นนั้นให้เรารู้ทันนะความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าท่านสอนใช่ไหมไม่ทาสุดตรงสองข้างแล้วก็เดินมรมรมีองค์8เวลาที่เราเจริญอริยามรมีองค์8เนะี่ยเจริญอะไรจะเจริญสติจเจริญสติปัฏฐานนั่นเองมีสติรู้กายรู้ใจนะและอริยามรมีองค์8จะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยองทั้ง8นั้นจะเกิดขึ้นเองการที่มีสติรู้กายรู้ใจอยู่นี่เรียกว่ามีสัมมาสติการที่รู้ทันความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะ การที่จิตตั้งมั่นในระหว่างรู้กายรู้ใจเรียกว่าสัมมาสมาธิการที่มีสติรู้กายรู้รใจอยู่เรียกว่ามีความเพียรชอบอยู่มีสัมมาวายามะอยู่ในขณะที่รู้กายรู้ใจเนี่ยนะไม่ได้คิดไม่ดีนะไม่ได้คิดพยาบาทไม่ได้คิดไปในกาลไม่ได้คิดเบียดเบียนันนั้นเรียกว่ามีสัมมาสังกัปปะ ใ, ในขณะนั้นนะไม่ได้ทำผิดศีลห้าก็มีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะ สัมมาอาชีวะก็มีพวกนี้ขึ้นมาเพราะั้นเรามีสติปัฏฐานนี่แหละองค์มากตั้งแต่จะครบขึ้นมาเองพอครบแล้วนะจิตจะรวมลงไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าเทศให้ปัญจวัคคีฟังขนาดปัญจวัคคีบำเพ็ญบารมีมาม า, มากนะท่านโกนทัญญาบำเพ็ญบารมีมาแสนมหากรับเสร็จแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศนี้ก็สุดยอดละเทศได้แค่โสดาใช่ไหม งั้นหลวงพ่อไม่ไม่ได้ฝีมืออย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมพวกเราไม่ได้อย่างพระปัญจวัคคีย์ใช่ไหมอย่ารีบร้อนนะฟังแล้วฟังอีกนะเจียมเนื้อเจียมตัวไปบ้างนะบางคนฟังทีสองทีบรรลุแล้วมันจะมากไปหน่อยเนะีนะ่ยตอนที่พระกวนธัญญาฟังอีกสี่องค์ไม่บรรลนะุขนาดบา ร, รมีแก่กล้าขนาดนั้นยังไม่ได้เลยใต้องค์เดียวได้โสดานะ ขณะที่ท่านได้โสดาเนี่ยนะจกักผงอุทปาธิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทปาธิความอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุทปาธนะิวิชาเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนี่ในธรรมจักรจะพูดไว้จกักผงอุทปาธิก็คือการที่มันมีจิตซึ่งถอดถอนตัวเองออกมาแล้วนะเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นจิตซึ่งเห็นธรรมะ ไม่ใช่จิตที่เห็นสัตว์เห็นคนเห็นตัวตนเห็นเราเห็นเขาแล้วแต่เป็นจิตที่เห็นตัวสภาวธรรมนะมีญาณนะ ม, มีการตามอย่างรู้ไปเรื่อยนะอะไรเกิดขึ้นก็อย่างรู้ลงไปตามรู้ลงไปนะมีปัญญาอุทธปาธิคือการเห็นไตร ล, ลักษณ์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่แสดงไตร ล, ลักษณ์ทุกสิ่งที่ยานไปอย่างรู้นั้นแสดงไตร ล, ลักษณ์ทั้งสิน้นะเสร็จแล้วมีวิชาอุทธปาธิคือรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมะ แต่แจ้งตามลําดับนะพระโสดาก็แจ้งระดับนี้พระโสดาก็เห็นแล้วขันห้าไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่เรียกว่ารัลยศาสตร์นี่เป็นวิชาอุทธปาธิสุดท้ายอโรโกอุทธปาติแสงสว่างเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่คําเปรียบเทียบในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นแท้แล้วก็จิตของเรามีสติเราตามรู้ได้เต็มภูมินะเห็นทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตเนี่ยสุดท้ายจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นจริงๆ คนล้วนหลังพอไม่เข้าใจแล้วก็ไปตีความว่าแสงสว่างหมายถึงปัญญาก็ปัญญาก็ญญากพูดไปแล้วอ่ะนี่มาเปรียบเทียบแสงสว่างกับปัญญาอะไรทีหลังนี่อีกจริงๆจิตมันส ว, สว่างสว่างครอบโลกธาตุเลยเพระฉะนั้นะที่พระเจ้าสอนแต่ละคําแต่ละคําเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะจากของอุทปาธิตามรู้สภาวะไดนะ้มีปัญญามีดวงตาตามรู้สภาวะได้ญาณะอย่างรู้ถึงความเป็นไปของมัน มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์มีวิชาเห็นอริยสัจจิตก็วางขันนะจิตเข้าถึงความสว่างสวัยครอบโลกธาตุว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่อยู่ได้สองสาขณะเท่านั้นนะก็ดับจิตกลับมาสูบมนุษย์ธรรมดานี้อีกนะต้องฝึกต่อไปอีกนะอวันนี้เช้านี้ได้แค่นี้นะเนี่ยเนื้อหาของธรรมจักรเวอร์ชันนี้นะ นิมนต์ครับนิมนต์